การประชุมนานแล้วแต่วันหกเป็นหัวกป็นหัวใจมนันเป็นมานเอาเลยต่างคนต่างอยู่การประชุมนา น, น, นาายิ่งก็เคยยินเลยฟังมันก็ต้องควรการจินการประชุมสืม่อประโยชน์ที่ได้รับก็บมีดังเหมือนกัน แต่ส่วนสำคัญการกระทำของตัวเองเป็นหนึ่งสำคัญฟังไปแล้วถ้าหากไม่ค่อปฏิบัติาจะทำมมเทนมันก็ไม่เห็นไม่รู้เพียงแต่ความจดจำสัญญาภายนอกมันตรงมีอะไรดีขึ้นถ้าความจดจำเป็นอัดเป็นทำที่จะถอดถอนกิเลส คนนักเรียนนักศึกษาโดยส่วนใหญ่ก็คงจะหมดีิเลศภายในใจเพราะศึกษามาแต่ขันต้นจนถึงที่สุดาหรับตาลาในศึกษาเทอะไรเรื่องจิตใจจะให้มันหมดเรื่องความทุกข์ถึงสุ่ความสุขมีแต่เสียมันคงไม่เต็นไปได้อะไรที่เคยก็อควรจิตใจโลกกดหลงก็ยังคงสิ ทีงามอยู่ไม่เห็นอะไรโตออกไปนอกจากการปฏิบัติการปฏิบัติรปร เ, ปตเป็นเส้นเส้นทางสำคัญที่จะตรงไปสู่ความสุขของจิตของใจฉะนั้นพวกเราทุกคนที่มุ่งมั่นมาปฏิบัิปฏิบัติอัดทำเวลาเรามาพักผอนในสถานที่เงียบสงบ ก็คือที่นี่ที่จะาดนาปฏิบัติเอาใจใส่จะทำบำเพ็ญจริงจังในอย่างนั้นก็จะเสียวันเสียเวลาเสียข่ารถหรืออะไรต่ออะไรสีพะทะเราไม่ต่างหน้าต่างตาทำจริงวันเวลาก็เสียไปชีวิตก็หมดไปอะไรที่จะเกิดขึ้น เป็นเครื่องจีจะทำจิตทำใจไม่รับความผูกความเจริญไม่มีเค็น่องีสุดก็จะไปก้าวตู่ดูถูกตัวเองหมดบุญหมดวัสนาไม่มีสติปัญญาก็จะรับธรรมะของผู้ทธเจ้าได้หลวข้าไปต่างหาตางตาประพฤติปฏิบัตริรักษาจิตใจกายวายจาของตัวถ้าหากต่างคน มุ่งมั่นที่จะเรีนาอาัดธรรมสำหรับจะเป็นเครื่องปัดเปเล่ากิเลสตัณหาจิตใจที่โก ว, วนวุ่นวายต่อโลกแล้วจิตใจแต่ละวันมันจะสงบระงับมีความสุขความสบายพอสมควรเวลา เรามาพักผ่อนใจเป็นเรื่องพักผ่อนเป็นเรื่องกายในพักผ่อนทั้งเรื่องใจว่าใจปกติไม่มีเวลาพักผ่อนนอกจากหลับถื่นมากวัวคิดตุงตามสัญญาอารมณ์ไม่มีเวลาได้รับการพักผ่อนจิตใจจึงห่วยอ่อนแอในเข็งแข็งพิจารณาอาจทำอะไรก็ไม่แจ่แจ้งชัดเจนให้ เลยเกิดสงสัยในเรื่องบุญวาสนาของตัวแต่จิตใจได้พักผ่อนจิตใจได้สงบระงับจากความปุ่งปุุงต่งตางๆโดยการเอาสติบังคับปัญญาแนะนำให้จิต ป, ปุ่งปุุงไปตามอำเภอใจของมันอาจทำอันใดสิพระพุทธเจ้า เคยเราเคยปฏิบัติามาเราจะนําอัตธรรมอันนั้นมาทิจเรนาสําหรับแก้จิตใจของตัวผูกจิตใจของตัวให้อยู่ในคิดเทว่าพระพุทธเจ้าพุทธะคือผูรู้ในเดี๋ยวอยู่สถานที่อื่นอยู่ในกายในจิตของเราเองธรรมะผู้ทรงไว้จึงทรงรู้ก็เหมือนกันในใ่ จ, จะไปอยู่ตาม ตาหรับตำรา ห, หรือตามคำชีสังฆะผูกพืชปฏิบัติดีตรงหรือเป็นธรรมก็ไม่ใช่จะอยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวของเราทุกคนเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงไม่ควรสรงจิตจิตรุงไปสัางหนอที่นี้พิจรารณาพุทธะคือผู้รู้รู้อะไรเดียวนี้รู้ดงดีหรือชั่วผิดหรือถูกต้องรู้ที่เรารู้อยู่เป็นเรื่องแก้ไขตำละ จิตใจออกจากที่เหลือเรือเป็นเรื่องสะสมเรื่องความทุกร้อนต่างๆนะครับโถมตัวเองธรรมะทรงไวทรงอะไรหรือทรงแต่ทำเกิดแก่จเจ็บตายแ่านี้หรือมีคุณงามความดีอะไรภายในภายในใจของเราผลคิดคิจเล น, นาสังฆปฏิบัติถูกต้องดีงามหรือไม่ จะมีอะไรเป็นทางเสียหายตรวจจาพิจารณากายวายาจใจของตัวอยู่อย่างนนในจิตสูงจงคิดไปออกทางนอกเว่าเรากำหนด บ, บังคับบรรชาจิตของเราให้พิจารณาอัจธรรมของพระพุทธเจ้าแต่พิจารณาเรื่องของกายก็ให้แยบคายลงไปจน จ, จิตใจยอมจำนนเห็นตามเป็นจริง กายนี้เป็นแต่เรื่องสมมติไม่มีอะไรเป็นกายเขาเราไม่มีทุกสิ่งทุกส่วนจีเราสมมติเขาเองก็ไม่รู้สึกว่าเขาถูกสมมติอะไรก็จะเป็นไปตามหนาจีของเขาเราที่จะรณายแยบคายเป็นจิตใจเห็นตามเป็นจริงแล้วเรื่องของกายจีมีอยู่ สมมมีอย่างไรกปลูดไปตามเขาใจใจของเราไม่ยึดถือปล่อยวางผู้เห็นตามเป็นจริงจิตใจผู้เท่าเรื่องของกายก็มีความสบายเบาไมมีการหลุ่มหลงเกิดเคืินแต่ความจริงมันเป็นอย่างไรดูเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นหลวงพุทธเจ้าท่านพูด ไว้ได้ตัดไว้ปะ่ะ่ยถามู่ตางงานอครับกนั่งคือเห้รู้เห็นตามเป็นจริงของมันอยากไปเสกสัรปัญญยอว่ามันอย่างนั้นมันอย่างนี้เจตนาเรื่องของกายกายก็เป็นก่อนของทำอันหนึ่งถึงก็คือไดเจ้าเจ้าว่าเป็นหลุรรมมาทำ ส่วนานามธรรมคือเวทนาทุกๆใเ้ยเฉยสัญญาตามจำได้ไหมายรู้ต่างๆสัขงขารความปรุงคิดวิญญาณความรู้จากตาหูไปกระทบสิ่งภายนอกเรียวกว่านามธรรมต้องรู้ประธรรมนามธรรมผมไม่มีอยู่ที่อื่น มีอยู่สี่ตัวของเราทุกคนเหตุนั้นจึงไม่ควรไปคิดตรงอย่างอื่นคิตที่นี้พิจารณาอยู่นี้ก็ดีชั่วสุขทุกไม่ได้อยู่สถานที่อื่นอยู่กับตัวของเราเราทุกคนเดียวโลกเขาจะมีความเกิดเพลินสนุกสนานขนาดไหนคนไม่มีอะไรที่จะทําให้เรามีความสุข ด, ด่า แล้วสุขคนเยวโลเขาจะทุกข์เือร้อนทั่วไปเหมือ น, นกันเป็นเหลือทั้งโลกตัวของเราก็วสุขอยู่จึงควรอบรมเรื่องของใจให้มีความสุขใจจะมีความสุขความสงบกว่าคว า, าศใจธรรมะที่นี้ที่จะได้นะถูกมัดเอาไว้จะให้ใจปุ่งปรุงคิดไปทางหนือห้เห็นโทษการปุุงปุงคิดไป จะ เ, เคยคิดนึกติดตามเรือทายหนอกมานานความสงบสงัดความสว่างสวัยความละถอนกิเลสภายในไม่เคยเกิดขึ้นเราจะฝืนคิดนึกติดตามอย่างนั้นเรื่อยไปก็ไม่มีวันเวลาที่จะได้รับความสว่างสวัยความสงบอย่างเย็นทางใจห้ามกันอย่างจิตใจของตัว เอาไว้จิตใจเมื่อห้ามกัน้นมีสติรักษามีปัญญาแน่สอนอยู่จิตใจจะไม่ออกไปทางนอกแต่ทิจรจนาเรื่องอัจทำหรือจะบริกรรมกบผูกมัดในคำบริกรรมข้งตัวจิตเป็นลงรวมในระความสงบสบายความสงบสบายของจิต เกิดจากการอบรมอัดทำโดยส่วนใหญ่ไม่เอยมีใครจะเห็นกันเหตุนั้นึมไม่เคยแสวงหาซึมไม่เคยจะทํากันก็เห็นความสุขอยู่เรื่องลอกๆตาได้ดูหูได้ฟังสิ่งที่ชอบกับจิตเนืสัยก็ะถือว่าอันนั้นเป็นความสุขของใจแต่ความสุขส่วนนั้นความสุขโดยความหลงแต่ความสุขอันจริงจัง ความสุขจริงจงเกิดจากการกปฏิบัติอัตธรรมเรายังไม่เคยดื่มรกว่ามันมีความสุขผิดแปลกแตกต่างจากการได้ดูได้ฟังอย่างไราหากเราเห็นเรารู้เราได้ดูดื่มรสความสุขจากความสงบสงบัดในการปฏิบัติอัตธรรมเราจะไม่ตื่นเต้นจะไมเหมินเมตามเรื่องหมองมอกอย่างนั้นพความสุข มันมีเพียงพอบริบูรณ์ในตัวคือเราพิจรารณาธรรมะธรรมโมจิตใจของเรารวมสงบปีติเอิ้ออิมป ส, สิิรละงับความปุ่งปุงต่างๆตลอดทั้งเวทนาภายในกายแขน่งเวลานมนานขนาดไหนกายก็สงบละงับ ใจกว่าสงบระงับสุขความเมาความสบายความปลอดโปรง่งของจิตของใจก็จะไปจับความสุขส่วนนี้มีรสชา 18, 18, ติจิตแปกแตกต่างอย่างไรจากความสุขที่เราเคยได้เห็นได้ยินได้ดึง เห็นอาจทมเป็นขึ้นจากตัวอย่างนั้นจะห้ามไม่ให้เชื่อตั้ตัวห้ามมาอยู่เพราะจิตใจของเขาผู้เห็นอย่างนั้นเป็นตจจัดแต่งตังในตัวของเขาให้เล่าไม่ต้องการความสุขไม่ว่าแต่มนุษย์แม่สัตว์มันก็ต้องการความสุขเหมือนกันเมื่อประสบพบเห็นความสุขแไหนจึงจะไม่อยากได้ ต่างคนก็ต้องแย ก, กด่านตัดอื่นมันก็ต้องการเพราะความสุขมีอยู่ที่ไหนต้องการด้วยกันทางนั้นดะนั้นความสุขของใจสีไปเคล็ดปฏิบัติอาจทำจินเป็นความสุขจินแนวแน่เป็นความสุขสีตายตัวเป็นความสุขสี่เปเสดริเศษยิ่งกว่าความสุขเรื่องนอกในอย่างนั้นท่านผู้ที่เป็นกษัตริย์หรือเป็นเศรษฐี หาบอดีในสมัยก่อนมเมื่อเข้ามาบวชเพื่อปฏิบัติอาชธรรมู้เห็นเป็นขึ้นจ่ิงเลยเด่งใบาจาว่าสุกหนอสุกหนอ่อทั้งๆ ท, ที่ไม่มีอะไรภายนอกที่จะทําให้ท่านสุกนอกจากใจของท่านสุขในอดในธรรมเพราะท่านอยู่ป่าอยู่ร่วมไม้ไม่มีอะไรที่จะเป็นเสื่องหย่อนยวนหรือ ติดขอดเพรที่จะให้สุขเกิดจากอาลิตเกิดจากรูปเสียงเรื่องราวต่างๆนอกจากความสุขของใจที่ปล่อยวางเรื่องต่างๆได้ในนี้อะไรจะเป็นภัยอันตรายแล้วสุขจากเข่าของเงินทองสุขจากบ้านช่องต่างๆ <c oughs> หลังความสุขภายนอกมีใคร พัวไปครอบพัวไปจะใหม่น้ำจะท่วมโจนจะกล่นหรือเขาจะริบเอาทัพยสินเข้าของสวนนั้นตามคิดตุงของใจมันเป็นภัยวจิดจิดห้องอยู่ภายนอกส่วนความสุขด้านภายในสุขจากใจเป็นสมาธิสุขจากใจมีปัญญาธรรมะสาวสาเรื่องต่างๆออกจากใจ ไ น, น่มีไฟอันตรายน้ําก็ฉวบในดักไฟก็ไม่ไม่ดักอยู่แต่ฐานที่ใดติดตัวไปไม่ต้องฮะฐานะใส่ผลไปมันอยู่กับใจเองสุขอันนี้เป็นความสุขที่นักปราชญ์ถั่วไปสละเสริญมันเป็นความสุขอั น, นยิ่งยวดเราทุกคนที่ปราชญ์านะความสุข ในนิชีนี่มีภัยอันตรายข่อพึองต่อพึ่ปฏิบัติกายใจคลองตัวขพรความสุขมีข อ, อยู่ในสถานที่นี้ในเรื่องของกายมันก็เป็นไปตามหน้าจี่ของมันถ้าเราหลงมันก็เป็นทุกข์ขึ้นถ้าเรารู้ตามเรื่องของมันหน้าจีของมันจะแปลปวนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราก็รู้ ก่อสร้างทุกอย่างมันเป็นไปจิตใจของเราหวั่นไหวจิตคล่องหรือไม่ล้วก่สร้างจากการต่อพฤ่อปฏิบัติอัดคำนี่เรายังไม่เย็ลในยังไม่เด้เคยฝุดใจของตัวก็เลยไม่รู้ไม่พอใจต่อความสุขตองอัทรรมีความดีริสเสียอย่างไรก็เลยสงสัยแล้วก็ไม่อยาก ต่างหน้าต่างตาปฏิบัติกายใจของตัวรวมถึงตั้งแต่เรื่องของกิเลสเผาวันนั้นเผาวันนี้ไม่มีวันจะสุขจะสาบายจริงๆกิเลสจริงๆว่าตัณหาเป็นทางนำใจให้เศร้าหมองนำใจให้เกิดทุกข์ ส่วนการละการถอนการพิจัยนาย้อนกลับทำจิตวกเข้ามาสู่อัดธธ ร, รมของพระผู้ัยเจ้าให้อยู่ไม่ให้คิดให้ปรุงออกไปทางหน่อกันเป็นเรื่องจี่สำละสะตางใจเองใจที่เศร้าหมองเมื่อถูกการสำละ เนื่อน้ำที่สะอาดคืออัธรรมของพระพุทธเจ้าแต่น้าบันของใสความสกปรกของใจจะหมดไปใจจะมีความสว่างสวัยแล้วก็เกิดความสุขในจิตในใจอย่างแนนอนอื่นจะเหมือนความสุขของใจมันไม่มีถ้ามันมีอย่างสุขอื่น ดีเด่นวิสเศด ย, ยิ่งกว่าการสุกจิตสุกใจที่ประพฤติปฏิบัติตามอาจ ต, ตามทมแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ี่างจากธรนิจจะต้องชมยินดีและไหมประพฤติปฏิบัติอาจทมอันนี้พระพุทธองค์สมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างทั้งโลกแต่วกว่า ความโลภความโกรธความหลงความแก่ความเจ็บความตายยังติดตามอยู่ทุกวันทุกเวลาจิตใจเมื่อกายตายมันก็ตายไปเพราะไม่ได้ฝึกออกจากกันเพราะคิดว่ากายกับใจเป็นอันเดียวกันใจคนละอันละอย่างยังยังไม่ได้ฝึกไม่ได้อุรมไม่ถูก ว่าสัตว์ทั่วไปมีความแกบบ่ความเแจบบ็บความตายเป็นใคยจะหลบตอนที่ไหนไใมนมีในบาปเขาว่าเราทั้งที่อดีตผ่านมาหรืออนาคตจะมาถึงเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะปัจจุบันเป็นอย่างไรอดีตอนาคตก็เป็นอย่างเดียวกันถ้าเราจะมาหลุมหลงเถิดเชิญในเรื่องอามรมณ์ต่างๆก็ไม่มีทางที่จะ ดูเห็นตามเป็นจริงในความสุขได้เพราะเรื่องเหล่านี้อยู่อายุจิต ใ, ใจให้ลุมหลงจิตในพระไทยของพระองค์ที่เจรนาหาทางอยู่สม่ำเสมอเห็นแบบความเ ก, เกิดแจเจ็บตายมีความไม่เกิดไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ตายงคงมีเพราะมีมืดต้องมีสว่าง มีได้้ต่มีเสียมีตายมีความหม่ตายคงไม่มีแน่พระองค์คิดพิจารณาอย่างนี้เพียงเดียวตัดสินใจออกไปบำเพ็ญเพียรในป่าถึงแก่ทุกอย่างลำบากด้วยอาหารการเสวยยึดที่ประครับที่บันทมอย่างไรพอเห็นว่า สถานที่นั้นไม่มีอะไรจะมารบกวนให้จิตใจวุ่นวายในเหมือนอยู่ในเขตคาาวาไในเหมือนอยู่ราษฎปราดสวังเป็นกษัตริย์คิดตกลงพระทัยอย่างนั้นจึงในสเสด็จออกกิเนศกรมคือออกบวชบวชก็อยู่ตามป่าตามเขาเขาเึื่ปฏิบัติที่มีพิจารณา ทุกวิธีทางผลที่สุดตอนจะตัดสรู้กอกกำหนดกายของตัวคเรื่องลมหายใจเข้าออกเพราะคิดได้สมัยเป็นเด็กทรงพยาวอยู่เคยไปนั่งตอนแรกนักฝั น, มนเมื่อจิตได้สงบระงับคงจะเป็น อันนี้เองทางตัรุพระไรกำหนดผลที่สุดจิตใจของฉันก็สงบร่างนับพอจิตสงบที่เจรณนาอะไรก็อแจ่มแจ่งชัดเจนจนละอวิชาถอนตันหาอุปาทานต่างๆออกจากว่าไทยตัสรุอริยสั์แจงไปจับขึ้น ในใจของพระองค์แต่กว่าพระองค์องค์เดียวงูเห็นเป็นอย่างนั้นคนอื่นทั่วโลกยังไม่เคยเห็นกันารความสุขความเจริญความดีความเด่นอย่างนี้แต่ต่อมาที่เจริญนาธรรมะที่เรางูเราเห็นดีเด่นอย่างนี้คนทั่วโลกเขาจะงูจะเห็นไหม เพราะทำที่เราเราเข้าใจเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนสุขุมมากก็เลยพ่อพระไทยไมา่อยากประกาศศาสนาเห็นว่าสัตว์หลกกั่กไปยังมีความหลุ่มหลงอยู่มา ก, ากไปแะสอนกอคงกระยากระลำบากทางสุลาทิฐานท่นานจังหว่าพยามามาอัญเชิญพระ อ, องค์ให ปริญญ า, าการแตคิดขึ้นอีกว่าเราซึ่งไม่มีใครแนะนำเลยต่างหน้าต่างตาค้นหาทิจนาทำไมเป็นไปได้คนอื่นทั่วโลกเขาจะเป็นผู้อาค า, าบอวาสนาทั้งหมดหรือคงจะมีคนใดคนหนึ่งเหมื่อเราแนะน จะรู้เห็นตามเป็นจริงอย่างเราผู้ที่จะได้นาจะเกียบกับดอกบัวสีเราคนที่มีอุปนิสัยเป็นผิวปากปิญญาคือพอแสดงธรรมะออกไปจิตใจของเขาก็จะได้รับอาจทำเข้าใจรู้เห็นตามเป็นจริงขึ้นเหมือนดอกบัวที่พ้นจากน้ำคอยรับแสงอาทิตย์ก็ถูกแสงอาทิตย์จะแยมบานออก คนประเทศนั้นก็ยังมีอยู่ไม่คิดได้เว้คนมันมีหลายประเทศอย่างนั้นองค์ท่านจริงไหนที่เจริญนากพระพุทธเจ้าหเหมือนพวกเราธรรมดาถึงแม้ว่าอิเลศตัณหาจะหมดออกจากใจเหมือนท่านแต่ถ้าว่ายานความรู้อดีตอานาคตหรือยาน ปรจําปัจจุบันไม่เหมือนกันกับท่านเพราะท่านอยากรู้เห็นอะไรพิจารณาได้แจม่มใสว่าใครจะสามารถรับธรรมจากเราได้แล้วเราจะแสดงธรรมอะไรคนเหล่านั้นจึงจะเข้าใจเห็นแจง้งทรงพิจารณาเข้าใจเหมือนหมอที่รู้จักสมุทรฐานทังโลกว่าจะเอายาอะไรแไก้ไขรคส่วนนั้นจึงจะหายขาดออกไป จากกายของเขาพราพุทธเ จ, จากก้าว่อฉลาดอย่างนั้นแต่มีจิจารณา น, านำธรรมะไปสอนโลกเขาไปสอนเรียนเจวคีเพียงกันเดียวเท่านั้นคนทันยะก็รรู้จักพิจรารณาตามเห็นตามใน ด, ดวงตาเห็นธรรมจะได้เป็นพระโสดาบันในการหลกทส่แสดงธรรมจัด ความเห็นของคนทันยะที่รู้อัดทมพวกเราท่านก็เคยได้ศึกษาทางภาษาบาลีแันห่ายังยินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติถแปดเป็นภาษาไทยท่านรู้ท่านเข้าใจในตัวของท่านว่าอะไรที่เกิดขึ้นอันนั้นจะมีการเสื่อมไปดับไป ทาเข้าใจเป็นจริงอย่างนั้นมีอะไรเชื่อเข้าใจทำพระพุทธเจ้าจิตตกแต่แสคือถึงเข้าทางที่จะตัสงรู้เพราะเมื่อเห็นตามเป็นจริงว่าอะไรเกิดขึ้นอันนั้นจะมีความแตกดับเห็นตามเป็นจริงในใจ แล้วก็ไม่หวั่นไหวไม่ตื่นเต้นเพราะเห็นเป็นจริงอย่างนั้นกายมันเกิดขึ้นมันก็จะต้องแปรปวนและแตกสลายจิตเหมือ น, นกันที่มันนึกคิดได้มันก็จะมีการหลุ่มหลงได้เมื่อมันยังไม่ถึงที่สุดของมันมันจะต้องเป็นอย่างนั้นการเสื่อมของจิตก็ไม่มีการ เสียการเจริญของจิตกวรมีการดีใจหน้าที่จะต้องปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติไปอย่างนั้นรักษาเรื่องของใจไม่ให้หลุ่มลหลงหรือขัดข้องต่างหน้าต่างตาเราเพื่อปฏิบัติรักษาอย่างนั้นผลที่สุดนานวันไปพระพุทธเจ้าก็แสดงเรื่องอ น, นัสสารคณะสูตร ไอ้พว ก, กฟังจากวัตถีฟังประเด็นสำเร็จอ น, ตนัตตาและอะัูตุก็ไม่ใช่อื่นอีกตัวอยู่ในตัวของคนดูฟังอนัตตาอยู่เป็นอนัตตาว่าไม่ได้บอกใไปฟังถึงหน้าหนาวอย่าหนาวนะมึงมันโกงไปฟังล่ะหน้าร้อนอย่าร้อนมันโกงไปฟัง บอกมาให้มันแก่มันเจ็บมันโกแก่โกเจ็บไปตามหน้าที่ของมันมีขันดาปเป็นอนัตตาใจจิตเห็นเป็นจริงอย่างนั้น<ม>กไน็ไม่ยึดมั่นไม่เื่อมัน่นเพราะหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรจิตเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นเภท น, นาสุทูก็เหมือนกันเราแต่งอาไม่ได้ถ้าเราแต่งเอาไดก็มีโรงพยาบาลรักษาไข่ในตอมิยะ เนี่ยไข่มันป่วยมันไข่นะมันก็หายไปเองพอเราไม่ชอบนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นไปตามหนา้าจี่ของมันพิจารณาขันทั้งห้าให้เห็นตามเป็นจริงลงไปใจมือเรื่องของขันทั้งห้าชัดเจนประจับแล้วพอมายึดจิตที่ไหนยึ ด, ยด ใจที่ม่ยึดขันทั้งห่าเป็นอย่างไรสุขเราท่านยังไม่เคยรู้เคยเห็นแต่ขันทางห้าตัวไม่เห็นตามเป็นจริงเยังจะจําได้จากสําหรักตาราเท่านั้นถ้ามันเห็นตามเป็นจริงของตัวเองแล้วมันก็เป็นประโยชน์มากใจิตใจที่จะไปหลันไหวไปยึดถือไม่มีความสุขความสบายเป็นอย่างไรก็จะทราบจากการรู้การเห็นของตัว ทีตติดข้องรือยังใมพ้นมันก็รู้จักพ้นไปมันก็รู้จักเพราะธรรมะเป็นของผู้ปฏิบัติแต่เห็นเองจิตใจคือวุ่นวายัางวลหรือจิตใจคี่ปล่อยวางสัญญาอารมณ์เราเห็นเองแต่คนอื่นจะมาบอกให้มันดีมันชั่วยอย่างไร ทึงไม่แสดงออกมาภายนอกรู้จักตัวของตัวเองนี่คือคนต่วพล็ปฏิบัติทรมีสติไปจำตัวคนนี้มีสติไปจำตัวกาไปทุกง่แหทุกข์งุ่มจิดใจทุกก็ไปโดนมาแล้วซึ้งคนรู้จักว่าทุกข์กยู่เหมือนกัน ่าปรปฏิบัติของท่านจิตนึกคิดทั้งชั่วทางต่ำเป็นทางทำให้ได้รับความทุกข์ทันดีเว้นให้ห่างไกลเหมือนดีภัยอันตรายหรือทางที่มีโจรท่านไม่เดินท่านไหนไปหักท่ามเลี่ยงใจของท่าน เอาไว้ท่านสอนใจท่านทุกอย่างใจทองขทุทัง่งยนปลอดภัยอยู่แต่ฐานที่ใดด้วยอำนาจจิตใจที่มีความสุขความสบายปลอดภัยใน่มีอะไรเข้าไปก่อควรท่านจึงมีจึงมีความสุขอยู่ใต้ลมไม้รบก่าสุกนอสุกนออยู่ใต้เขาอยู่ ทำกอดสุกน้อสุกน้อข้อใจทั้งท่านสุกอยู่สถานที่ใดก็เป็นสุกไปหมดคนทุกข์เราไม่เป็นอย่างนั้นสมบัติทัศฐานจะเต็มบ้านเต็มส่องอวดตามถ้าใจทุกไม่มีเลยสั่มสุกใจร้อนเหมือนกันจะเข้าห้องแอร์แสบแฉงกวร้อนอยู่นั้นน่คนเราจึงสําคัญอยู่จี่ใจฝุดใจของตัวให้มีความสุข มีความสบายสาระตัวของตัวจะปล่อยไป ต, ตามเรื่องของมันมันก็เป็นไปอย่างนั้นให้มีเวลาใดที่จะมีความสุขวามเจริญของใจอย่างเต็มที่และใกล้จ่างแต่เคยฝึกอบรมได้แนะนำสวดพวกเราผูหมุ่งความสุขอย่างนั้นพวกเราท่านกิเคยสดับรับฟัง ของพึ่งศึกตัวของตัวไอ้จิตมีเวลาพักผ่อนไอ้จิตมีเวลาสงบอะไ ม, มีเวลาพักผ่อน ม, มีเวลาสงบทำจุกที่ทดีเด่นเป็นอย่างไรก็จะไม่เห็นให้ที่จะอะไรก็จะไม่ถอดถอนหลงวุ่นอยู่อย่างนั้นไม่มีวัน จะเบาจะสบายเพใจเย็ดใจถือใจแบกใจหามใจหอบใจหิวเรื่องของชเลตัหาเรื่องของโลกของงสารถ้าหากปล่อยวางได้เมื่อไรก็เบาสบายเราจทางปล่อยวางในใจมันมีความสุขความสบายมีความสว่างสว เราทำไม่ได้ไม่มีใครจะทำให้ถึงจะยากลาบากก็ยัชือว่าเป็นงานของเราอยาอ่าไปชื้อแต่มันยากมันลำบากไม่อยากทำคนอื่นก็จะดูหมินม่นเย็นชาว่าเราไม่ควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเป็นหน้ากี้ของเขาเราไปห้ามกันไม่ได้เพราะฉะันเหมืนซุ่มยว่าเรา ดีเราเด่นก็เหมือนกันแต่เราไม่ดีไม่เด่นก็ยังคงเส้นคงวาอยู่นั้นยัง้างนอกเรื่องทางนอก อ, อกย่าไปคิดฝุกจิตของตัวให้อยู่ในอดในธรรมเป็นพออย่างไรเราจะเป็นไปเถิอความถอดถอนอย่างไรเราจะเป็นไปเถิอความหลุดพ้นจากความติดข้องของโลกพิจารณาลงไปนั้น ทำปิดเสมองของใจขาถูกเสะแกไขไ็ finden, kommen, thanking, Bone, à, ่ค่อยหมดไปเบาสบายปล่อยเอาไว้ทั้งคนับวันปินะเนี่ยไปแเหีจนะตามเพียนทั้งสี่เพียนทั้งวันแล้ววันทังตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งตนมาเห็นยินดียินร้ในเมื่อเห็นงู จะได้ยินเสียงเป็นต้นความยินดีจะทําให้เกิดความหึงหวงสุดยินร้ายจะทําให้จิตใจเดือดร้อนวุ่นวายสุดถ้าเรารักษาจิตใจตัให้ไปเกี่ยวเกี่ยวความยินดียินร้ายคือรักสั่งจิตใจของเราตั้งอยู่ได้ทางกลางเราก็สบายอย่างที่เราไม่สบาย เพราะจิตใจของเราไปจิดค่องเพราะม่สังวรละวังเห็นจริงที่สวยงามตัวนึกยากได้จิตอกจิตใจเห็นจริงที่ไม่ดีไม่ชอบเอาอีกเดี๋ยวร้อนวุ่นวายไม่สบายใจนี่คือการไม่ต้องสวระวังการสังวระวังที่จะหาใจไม่ให้ไปยึดมั่นพึ่มั่นในคิด ได้หนึหิตทางส่วนนั้นจะจะต้องอาศัยปัญญาพิจไรณาการสิ่งเหล่านั้นแต่ก่อนที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นมันก็มีอยู่อย่างนั้นแล้วเรามารู้มาเห็นมันทําไมจิตใจถึงไปติดข้องพยายามแนะสอนแกะไขเพรากินอยู่แล้วติดแล้วข้องจะใส่ของจะคงเส้นคงว่า ในวันได้วันหนึ่งมันก็ดเจะเปลี่ยนแปลงด้วยแตกสลายไปตามหน้าที่ของมันที่เจ้าน่ะให้คอยใจคัดเจนอย่างนั้นระวังสังวียนอยู่ทุกวันทุกเวลาตาหูจมูกคีบกายใจเป็นเรื่องต่ออารมณ์สัญญาต่างๆเข้ามาทับผนตัวเราไม่รักษา ะวังสังวรทำขั่วก็ไหลเข่าง่ายเหมือนเราเปิดประตูเอาไว้จนมันก็เข้าง่ายของดีมีข่าในบ้านมีเท่าไรมั้ก็กวาดเอาไปหมดนี่การรักษาประตูตตาหูจมูกริมกายใจจึงเป็นการแล้ววางสังวร อ, อันหนึ่งซึ่งจะทำความปลอดภัยหายใจ ได้รับความสุขความสบายหลังวาระประทานมือระวังรักษาไม่ให้เฉลี่ยตัณหาตัวไหลเขา้ามาในกายในใจของตนแตะหันไปทานทจิตใจจีเคยวุ่นวายเดือดร้อนโกรธโกนหลงอยู่ภายในใส่คิดแต่เ ร, เรื่องโลกเรื่องนอก ที่มีอยู่ในใจไม่ใช่เขามาจากที่อื่นให้สำระสาสางทิจารณาละวางปล่อยทิ้งอย่าไปยึดเอาไว้ถือเอาไว้เพราะมันจะเป็นที่เป็นไทยระบกนหลงไม่เกทางดีมีมากเท่าไรก็ยิ่งจะทำใจของคนนั้นไ้รับความทุกข์ยากลำบากหากไม่มีส่วนนี้ ธรรมราษาร์ฐานมันหนีมันเห็นมีในใจความเบาความสบายมันจะต้องเกิดขึ้นเหมือนเรากําจัดความมืดด้วยไปจีบดวงไฟความมืดก่อหายไปแ้่เราไมาตามไฟเสื่อความมืดมันก่เข้ามาทับถมความมืดท้ายนอกก็หมาเป็นกี่ต้องการ ของคนทั่วไปเข้าไปสถานที่ใดท้ามืดกะกลัวนุ่งจะหมจะอยู่จะจินท้ามืดทั้งก็ลำบากไม่เห็นอะไรเป็นอะไรให้ใจเรามืดเหมือนกันราส่ตงตามไปคือเอาธรรมะทมโมปฏิโปเป็นปฏิสองจิตใจของเราอยู่ทุกวันทุกเวลา รักษาความชั่วภายนอกไว้เข้ามาทความชั่วอยู่ในกายวายจาและน้าใจก่านแก้ไ้ไปใจก็ด้รับความสว่างสวัยภาวนาประทานคือการผลคิดที่จะได้นาความดีให้เกิดมีขึ้นกายของเรามันยสยหายในดีส่วนใดเป็นกายสุจริตหรือทุจริต พิจารณาหากมันมีทางเสียหายก็สำหรับรักษาสางมันไปหากมันมีดีอยู่แล้วก็รักษาเอาไว้ราจาของเราก็เหมือนกันตอดถึงนาใจจิตไปจิตใช่จิีชั่วต่างๆเรียกว่ากุศลอกุศลรบาปบุญิึงควระะออกไปงควรรักษาเอาไว้ให้เจริญ เกี่ยวัความดีพยายามปรอบปวยให้เกิดมีขึ้นเมื่อเราทุกคนํำระสาสางล้างความั่วออกจากกายวาจาใจพยายามเก็บความดีเอาไว้ทุกสินทุกส่วนความดีที่เราปัดเตาออกไปเป็นทางสิเสียความดีจะต้อง เอามาไวในใจในใจของเราวันนั้นนิดวันนี้หน่อยแต่อาศัยเราสัมลาสานสางคําชั่วสร้างความดีขึ้นทุกวันทุกเวลาถึงแม้ว่าความดีจะไม่ได้มากกอพยายามเก็บหอมความริษไม่ประมาทในความดีของตัวเหมือนตัวจิมันสร้างที่อยู่ที่อาศัยของมันมันขาบมาทีนิดทีหน่อยเท่านั้น ไม่มีรถไม่มีจกไม่เสียมอะไรที่จะทามันก็อาศัยปากของมันแต่มันทำไม่หยุดไม่ถอยสามัคคีพร้อมกันแต่ฐานที่มันสร้างก็ใหญ่โตขึ้นนี่คือมันสร้างหยุดไม่ถอยความดีของเราพยายามสร้างทางกายทางวาจาทางใจสร้างไปทุกวันทุกเวลาความดีก็จะเติบโตระหโหฐานขึ้นผลที่สุดความทั่ว เราสำลักไปก็เหมือนกันที่เคยชิดจิตข้องต่างๆเหมือนิี่เจอนาะอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าสะสางทุกวันทุกเวลาความชั่วก็หมดออกไปตอนมดีจิตกอบโกยบาเพ็ญว่าวันสวีควรขึ้นเพือรักษาเอาไว้ตอนมดียังไม่มีกว่าหามาให้เกิดให้มีขึ้นซึกเรายังไม่รู้ไม่เห็นยังจิตห้องยังไม่เป็น ไปทางจิตใจยังไม่สว่างสวยยังไม่สงบระงับพยายามบังคับบัญชาภาวนาเรื่อยๆไปจิตใจก็ค่อยสว่างสวยสงบระงับกิเลสจะมีกำลังมากเท่าไรแต่อาศัยความเพียนอาศัยอัจทรมสั่งสำรักหรือต่อสู้คุที่สุดมันก็หมดไป ใจของคนไม่อย่างนั้นท่านก็ไม่เป็นผู้ดีวิเศษเป็นอริยะได้ถ้าหากสําฤะไม่ออกต่างดีเลยเจียงพอมีสันสัมฤทธิออกจากกายวาจาใจของท่านก่อนท่านก็เป็นผู้ตุชนคนหนาเหมือนพวกเราไม่ใช่ว่าท่านดีวิเศษแต่วันท่านเกิด อ, อาศัยมา ทำละสาสางมาที่นี่พี่เจอแล้วนะอักธำจิตใจคองขันไม่ใส่สว่างสบยจิตใจข่องขันจรงกายอากผูกทชนเป็นอริยาพปรอจักนับปองักรนัาเรื่องมออะไม่ม่อะไรสิแม่นเนาะว่าแม่ดเนาะนันนั่นหมออะไรสิม่ไเข่ามันตึงไม่เข่าอื่นแบบเขามันตึ เขาจะไม่จม่ายยกด้านไปใหม่ต่อไป